คนที่จะศึกษารเรื่องโอปปปาติกะให้เข้าใจจะต้องพยายามสะละสามัญสำนึกสองอย่างดังที่กล่าวมามิฉนั้นจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะได้เลยเพราะสามาัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้นจะทำให้เราตาบอดทำให้เรามืดต่อเหตุผลในเรื่องของโอปปปาติกะเราจะต้องพยายามยกระดับจิตของเราขึ้นไปให้พ้นจากระดับสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้น